และภาวะเช่นนั้นพลิกเปลี่ยนแปล ร, รูปไปหรือว่าคงที่อยู่นานเป็นต้นเมื่อตั้งข้อสังเกตอยู่อย่างนี้ใจย่อมหมดอาการครุ่นคิดตั้งชื่อหรือเทียบเคียงกับสับแสงทางตำราแล้วค่อยคอยเงียบสงัดจากความคิดและรับรู้ภาวะที่เกิดขึ้นนั้นๆด้วยจิตเต็มเต็มดวงด้วยความเห็นว่าสักแต่เป็นภาวะถูกรู้ไม่เทียงและไม่มีตัวเราอยู่ในนั้น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 ยังได้มาเพราะเธอจะร้าจะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั้นเองอยากให้ลองดูเรื่องกันคือการกระทงของเธอในคิดในใจอาจคอยสมพลไร้ไรอาจลึกลับแต่มันคง กาส่งผลของกัรคี่ทำอะไรทำดีหรื อ, อไรผลนันคือ